มีคนเปรียบเทียบหรืออุปมาชีวิตไว้หลายอย่างบางคนก็อุปมาว่าชีวิตนี้เหมือนกับการเดินทางบางคนก็อุปมาว่าชีวิตคือการต่อสู้อุปมาหนึ่งที่คิดว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตของคนทั่วไปก็คือสายน้ำนะชีวิตนี้เหมือนกับสายน้ํา สายน้ำนี่ก็เลื่อนไหลนะไม่หยุดก็มันก็นชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยสายน้ำนี่มันมีทั้งความยาวความกว้างแล้วก็ความลึกชีวิตก็เหมือนกันนะมันต้องชีวิตที่ดีก็ต้องมีชีวิต ต้องเป็นชีวิตที่มีทั้งความยาวความกว้างแล้วก็ความลึกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจแต่ในเรื่องของความยาวของชีวิตก็คือว่าสนใจแต่เพียงว่าให้ชีวิตมีอายุยื น, นเวลาเราทำบุญแล้วก็ทิฐิถามว่าขอให้มีอายุยืนนะ หรือไม่ก็อาจจะนอกจากสนใจเรื่องความยาวความยืนของชีวิตแล้วก็สนใจอยากจะให้ชีวิตนี้กว้างขวางเช่นเป็นที่รู้จักกว้างขวางหรือว่ามาีบริษัทบริวารมากมายเป็นที่รู้จักนะมากมายเป็นคนที่มีอิทธิพลกว้างขวาง ส่วนใหญ่ก็คาดหวังแค่นี้แหละคือว่าสนใจแต่ความยืนยาวของชีวิตแล้วก็ความกว้างขวางแต่ว่าถ้าสนใจเท่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากกระดาษหนึ่งแผ่นหรือว่าไม่ต่างจากผิวน้ำที่มันมีแต่ความกว้างและความยาวสายน้ำมีความลึกด้วยและความลึกนี่ก็สาคัญนะ ฉันได้ก็ฉันั้นชีวิตก็ต้องมีความลึกหมายถึงอะไรก็หมายถึงความลุ่มลึกในจิตใจความลึกของจิตใจความลึกความลุ่มลึกของชีวิตนี่มักจะถูกมองข้ามไปคนก็สนใจแต่เรื่องว่าขอให้มีชีวิตยืนยาวอายุยืนขอให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางนะมี เพื่อนพ้องบริษัทบริวารมากมายเป็นคนเด่นคนดังรู้จักอย่างกว้างขวางตอนนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะมองข้ามความลุ่มลึกของชีวิตในทางพุทธศาสนาเนี่ยความยาวความยืนยาวของชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยคืออายุสั้นก็ได้ไม่จะเป็นต้องอายุยืน มันอยู่ที่ว่าใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแค่ไหนความหมายในแค่ในในแง่ที่กหมายถึงว่าเช่นเป็นคนที่มีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละอันนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นความกว้างก็ได้นะคือว่ามีน้ำใจกว้างขวางการที่คนเรามีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็ถือว่าเป็นความกว้างขวางอย่างหนึ่งแต่มันคนละ คนละอย่างกับการมีอิทธิพลกว้างขวางหรือว่าการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางอันนั้นไม่สําคัญคนที่เ อ, อ, เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีน้ําใจกว้างขวางอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาให้ความสนใจมากกว่านะคือเอื้อเฟื้อเสียสละนะนะพระพุทธองค์นี่เปรียบคนคนดีเหมือนกับสระน้ําที่กว้างใหญ่ที่คน ทั่วไปได้ใช้ใช้ดื่มกินนะไม่ใช่เป็นเป็นสระน้ําที่ซุกซ่อนอยู่ในในป่าแต่ว่าอยู่ในชุมชนที่ใครๆก็ใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นอุปมาของคนดีก็คือคนที่เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆสายน้ำเนี่ยก็ทําหน้าที่นี่อยู่แล้วนะสายน้ํานี้ก็ผ่านไปที่ไหนก็จะ ให้ผู้คนได้ใช้ดื่มหรือว่าใช้ทำไร่ทำนาใช้บริโภคสัตว์ก็อาศัยได้ไม่จะป็นต้องเป็นสายน้ำที่ยื่นยาวก็ได้นะแต่ว่าสามารถจะเอื้อเฟื้อผู้คนที่อยู่สองข้างทางแต่ว่าจะเอื้อเฟื้อได้ดีก็ต้องมีความลึกนะสายน้ำที่ลึกนะก็จะเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด สัตว์น้ำเขาก็ได้อาศัยห่วงน้ำที่ลึกด้วยความล่มลึกในจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามนะทำนองเดียวกับคนสนใจต้นไม้เวลามองต้นไม้แล้วก็สนใจว่าเขาสูงเท่าไหร่นะแล้วก็อยากจะเป็นต้นไม้ที่สูงสูงเพื่อจะได้มองเห็นโดดเด่นนะ แต่ต้นไม้ที่สูงได้เพราะอะไรต้นไม้สูงได้ก็เพราะมันมีรากมีรากที่ยังลึกลงไปในดินนะถ้ารากไม่ยังลึกนะพอเนี่ยก็สูงได้ไม่มากหรือถึงจะสูงมากแต่ว่าพอเจอพายุนะก็โค่นได้ทําไมถึงถูกโค่นก็เพราะว่ารากไม่ลึกรากไม่แผกกว้างนะทัว น, นี้เนี่ยเราสนใจผู้คน เราก็สนใจว่าเขาประสบความสำเร็จแค่ไหนเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะเขามีงานการมั่นคงแค่ไหนเขามีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดเราก็มองคนตรงนี้เราก็อยากจะเป็นอย่างคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีประสบความสำเร็จนะคนที่มีฐานะตําแหน่งสูงนะแต่เราไม่ได้สนใจว่าเออ การที่คนอย่างนี้เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขาต้องมีฐานใจที่ยั่งลึกนะเจ้าก็มีฐานใจที่ยั่งลึกความสาเร็จนั่นก็เป็นความสำเร็จที่ไม่ทำลายตัวเขาเนก็ทำให้เขาสามารถที่จะทนทานต่อพายุแห่งอุปสรรคต่างๆได้เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่พายุเลยแม้กระทั่งลมปาก ของคนรอบข้างเราก็สั่งสะเทือนละดินคนที่มีตำแหน่งสูงมีที่รู้จักมากอันนี้จุลถึงดาราคนเด่นคนดังด้วยนะพอถูกดินทาตามสื่อนะมีการปล่อยข่าวลือแล้วก็สะเทือนไหวละสะเทือนไหวเพียงแค่ลมปากของผู้คนพอาอะไรก็เพราะว่าฐานใจเขาไม่ลึกพ อ, อแค่ลมปากก็สะเทือน แลย้ยิงอยู่สูงเท่าไหร่มันก็หนีไม่พ้นที่ต้องเจอลมลมปากหรือว่าพายุสารพัดนั่นคนที่คิดอยากจะมีชื่อเสียงโดดเด่นอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเด่นนะแล้วก็แต่ละเลยเรื่องของการทำฐานใจให้หยั่งลึกนะก็จะไม่มีความสุข เพราะว่าจะหวั่นไหวต่อเสียงวิภาวิจารหรือว่าอาจจะขาดความสุขคนทุกวันนี้เนี่ยก็ไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งภายนอกเช่นเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จคําชื่ชนชมสารเสริญซึ่งเป็นชีวิตที่เสียงมาก เพราะว่าเป็นการเอาชีวิตและความสุขของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเขาชมเราจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเขาสารเสริจเราจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเขาปิดปากไม่ด่าเราไม่นินทาเราชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่เสียงมากเพราะว่าเป็นการเหมือนกับดื่มจมูกเขาหายใจ คนเหล่านี้คนภายนอกเหล่านี้เราไม่สามารถจะควบคุมเขาได้เขาจะพูดอะไรตามใจปากเขาได้หมายความว่าเขาจะดินทาว่าร้ายเราก็ได้ถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกติด ก, กับผู้คนภายนอกหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองชีวิตเราก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเห็นแปรเปลี่ยนได้จากที่เคยชมก็เป็นการตำหนิ นะหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราหวังพึ่งพาเชื่อว่าจะเป็นความสุขให้แก่ลราก็แปลเปลี่ยนไปได้อาจจะมีคนแย่งชิงเอาไปหรือว่าต้องสูญเสียมันไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีมีฐานใจที่ยังลึกเราก็สามารถจะมีความสุขจากภายในได้ เหมือนก็ต้นไม้นะั้นต้นไม้ที่สูงเนี่ยแล้วก็มียากหลังอย่างลึกเนี่ยแม้ในฤดูแล้งต้นไม้ก็ยังเขียวก็ยังอยู่ได้ไม่เหมือนพืชล้มลุกนะมันก็เขียวได้เฉพาะช่วงหน้าฝนพอถึงหน้าแล้งก็ตายเพราะไม่มีฝนแต่ต้นไม้ที่สูงใหญ่เขามีรากที่ยังลึกนะก็สามารถทีะบย่างไปถึงตาน้ำใต้ดิน ก็สามารถจะเขียวได้ตลอดปีฝนตกไม่ตกไม่เป็นไรก็ยังเขียวได้คนเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าสามารถจะมีความสุขได้จากภายในนะไม่ใช่มีความสุขจากเสียงภายนอกไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงคําสรรเสริญหรือว่าทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่บริษัทบริวาร ปนนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งนอกตัวที่พึ่งพาหรือฝากความหวังไว้ไม่ได้ถ้าเรามีความสุขจากฐานใจนะแม้ผู้คนทั้งโลกเขาจะไม่เข้าใจเราแต่เราก็ยังมีความสุขอยู่ได้แม้จะมีเงินทองไม่มากเราก็มีความสุขจนแม้แต่พิการหรือเจ็บป่วย ก็ยังมีความสุขได้จากภายในอันนี้แหละคือความหมายและคุณค่าของชีวิตที่ที่ลุ่มลึกนะลุ่มลึกในทางจิตใจลุ่มลึกในทางจิตใจได้ก็เพราะว่าเขารู้จักตัวเองนะเขามีการฝึกฝนจิตใจจนสามารถที่จะเป็นนิสิตัวเองได้ ในถ้าเราเรารู้จักฝึกให้จิตใจเรามีฐานมีรากที่อย่างลึกนะจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ตลอดเวลาอันนี้คื อ, อผลว่าทำไมทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงในเรื่องการสร้างความดีนะการทำบุญทากุศลเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆคือการให้ทาน แล้วก็การรักษาศีลศีลในที่นี้ก็รวมถึงการเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยลราก็รวมไปถึงภาวนาภาวนาเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งให้ใจสงบอันนี้ก็อาศัยสมถาภาวนาหรือสมถกรรมฐานนอกจากความสงบแล้วถ้าสามารถทําให้ใจหรือจิตเกิดความสว่างเกิดปัญญาด้วยวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อจิตสว่างสงบมีกายวาจาที่สะอาดนะก็ช่วยกันเสริมทําให้มีชีวิตที่อย่างอย่างลึกนะพอเราเคยพบกับความสงบความสุขในจิตใ จ, ใจบ้างหรือเปล่านะถ้าเรายังไม่พบหรือว่าไม่ค่อยได้สัมผัสนะก็ควรที่จะหาโอกาสสัมผัสกับความสงบในจิตใจบ้าง เราอย่าอย่ามวัวแต่เพลินสิ่งภายนอกหรือว่าหมกมุ่นกับงานด้านนอกงานภายนอกอย่างเดียวงานภายนอกก็มีประโยชน์นะมันจะเป็นเรื่องของการทํามาหากินการดูแลครอบครัวหรือว่าการทำปรี่ยวให้แก่ส่วนรวมอันนี้เราเรียกรวมเรียกว่าเป็นงานภายนอกแต่งานภายนอกเนี่ยมันต้องมีฐานใจหรืองานภายใน เข้าไปเสริมด้วยงานภายในคืองานด้านในของชีวิตก็คือเรื่องการฝึกจิตนั่นเองนะฝึกจิตให้สงบนะฝึกจิตให้ให้มีความสุขภายในนะถ้าเรามีความสุขภายในเนี่ยเราจะทํางานได้อย่างมีความสุขถึงแม้งานไม่สําเร็จนะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกโปร่งเบาใจสบายได้ พราเราทํางานอย่างมีสติเราทํางานและมีสมาธิเราไม่เอาความความสุขไปผูกติดกับความสําเร็จนะไม่เอาความสุขของเราไปผูกติดกับคําสารเสวนะแต่ว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทําสิ่งที่มีค่านะไม่ต้องรอให้ใครสารเสริญไม่ต้องรอรางวัลหรือให้ใครชื่นชมนะสมัยนี้เราไปหวังรางวัลหลัง หลังหวังการยอมรับหวังการชื่นชมมากโรงพยาบาลจำนวนมากก็เอาจริงก็จังมากกับเรื่องการได้ H A หรืออะไรต่างๆหมาอาเททยหลก็สนใจว่าทำไงถึงจะได้ติดอันดับหนึ่งในหนึ่งใน500ของโลกพยีายามเร่งทำตัว K P I นะจกนกาทั่งวุ่นวายกันไปทั้งหมาอาเทียาลัแลวคนทำงานก็ไม่มีความสุข อันนั้นก็มีก็มีประโยชน์อยู่นะแต่ว่าอย่าละเลยสิ่งที่เป็นคุณภาพของจิตใจนะอันนี้เกิผลที่พวกเราเนี่ยควรมาเจริญสติหรือว่าทำสมาธิภาวนาเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสดูใจนะแล้วก็เข้าใจจิตใจของเราการที่เราฝึก กรรมฐานเจริญภาวนานเนี่ยมันคือการทําให้จิตใจของเรามีฐานที่ยั่งลึกนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะค้นพบความสุขภายในเหมือนกับต้นไม้ที่ยั่งรากลึกจนถึงตาน้ำนะก็ไม่แคร์ฝนนะฝนตกไม่ตกก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถมีน้ําจากใต้ดินมาหล่อเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลําต้นไดนะ้คนเราต้องอาศัยความสุข ภายในไปหล่อเลี่ยงชีวิตหล่อเลียงการทำงานนะไม่ใช่อาศัยการทางานเป็นเครื่องหาความสุขเดี๋ยวนี้มันกลับกันนะเราทำงานเพื่อที่เราจะได้มีเงินและมีเงินแล้วก็จะได้ไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกซื้อรถซื้อบ้านทำให้มีความสุขทำงานเพื่อหวังจะให้เกิดความสุขหรือเพื่อที่จะซื้อความสุขทำงานเพื่อจะได้เป็นที่ยกย่องแล้วก็จะมีความสุขนะ แต่ที่จริงความสุขนั่นแหละที่เป็นตัวส่งเสริม ง, งานสามารถหล่อเลี้ยงงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้แล้วทำให้ชีวิตมีความสุขด้วยพวกาะคือเจ้าตรัสว่าเนี่ยสิ่งใดสิ่งใดสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบนะ อันนี้ท่านเปรียบเหมือนกับกระแสน้ำด้วยสายน้ำที่ลึกนะ ก, ก็จะเงียบแต่สายน้ำที่ตื้นเนี่ยก็จะส่งเสียงดังเหมือนกับองนะองที่ที่มีน้ำนิดหน่อยนะก็จะเสียงดังแต่ออคงที่มีน้ำเต็มเสียงไม่ค่อยดังอันนี้ก็เหมือนคนนะคนเราถ้ามีจิตใจถ้าใจเราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเต็มอิ่มภายในเนี่ย ก็อาจจะเอะอะวอยวายนะเราเจอคนที่เอะอะวอยวายหรือชอบคุยโม่คนเหล่านั้นเนี่ย <Yeah. S 1> พอลึกๆข้างในเนี่ยพร่องนะพร่องอาจจะพร่องความรักพร่องความสุขหรือว่าไม่รู้สึกว่ามีคุณค่าเท่าไหร่คนที่ชอบคุยโม้หรือว่าเอะอะวอยวายเนี่ยข้างในเขาพร่องแต่คนที่พบความสุขภายในจิตใจได้รับการเติมเต็มคุณค่า หรือว่าเข้าถึงความสุขภายในเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุยโม้โ อ, โ อ, อ้อวดเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเต็มแล้วนะไม่จําเป็นต้องรอให้ใครหรือไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ใครมาชื่นชมสรรเสริญนะเนี่ยน้ําที่น้ําที่ลึกเนี่ยนะจะเป็นน้ําที่เงียบนะน้ําที่ตื้นจะเป็นน้ําที่ส่งเสียงดังเราอยากจะเป็นแบบไหนนะ แล้วคนหล่อเนี่ยถ้าเราสามารถจะเข้าสึงสามารถทำให้จิตใจฐานใจอย่างลึกได้นะมันไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวมีความสุขหรือว่าหล่อเลี้ยงการงานให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องยังทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยใครที่อยู่ใกล้ก็ได้รับความสุขเพราะได้รับความเย็นใจนะอยู่อยู่กับคนอย่างนี้แล้วเนี่ยสบายนะ เพราะว่าไม่ต้องคอยฟังเสียงโม้เสียงคุยโอ้อวดหรือไม่ค่อยหรือไม่ต้องถูกถูกวิพากวิจารนะเพราะบอกบางทีคนที่ความวิพากวิจารเนี่ยเขาต้องการแสดงตัวว่าเขาเก่งกว่าเขาเหนือกว่าเขาก็จะวิพากวิจารณ์ไปทั่วมองเห็นแต่คนอื่นมีด้านลบเพราะว่าการวิพากวิจารณนั้นทําให้เขารู้สึกเด่นสูงกว่าใครนะและที่เขาต้องการทําอำแบบนั้นก็เพื่อ ต้องการให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่สามารถยอมรับตัวเองได้เขาไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีมีความมีคุณค่าแค่ไหนก็ต้องเอาความเห็นการยอมรับของผู้อื่นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเองถ้าเราอยู่ไม่ว่าเราจะทํางานหรือว่าอยู่ในบ้านาคุณคุณภาพจิตใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะ ที่สามารถจะแผ่ไปให้คนเขาได้รับรู้ถึงความสงบเย็นนะจากใจของเราโดยที่ไม่จาเป็นต้องคุยโม้หรือว่าไม่จาเป็นต้องเอางานต่างๆมาเป็นเครื่องชักจูงอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราควรจะพบกับความสงบภายในนะเป็นความสงบทางจิตใจอันนี้ความสงบเนี่ยมันทาได้หลายอย่าง ความสงบนะที่คนเราคุ้นเคยก็คือว่าหลีกเล่นปลีกตัวไปอยู่ในที่เงียบเงียบไม่มีเสียงวุ่นวายไม่มีเสียงอึกทึกหรือว่าไม่มีงานการให้ต้องทำมากเพราะว่าถ้ามีงานการทำเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นความสงบนะที่ใครๆก็อยากจะมีบางทีก็ไ ป, ไปเข้าไปในป่า ไปสัมผัยกับความสงบในธรรมชาติหรือว่าถ้าอยู่บ้านก็อาจจะไปหามุมเงียบๆมุมสงบอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าเป็นความสงบที่เกิดจากการที่เราตัดการรับรู้ความสงบที่เกิดจากการตัดการรับรู้เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า ความสงบแบบนี้เนี่ยมันจะมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดก็คือว่ามันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็ถ้าเรามันเป็นการยากที่เราจะได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้นะเพราะว่ารอบตัวเราบางทีมันก็มีเสียงอึกทึกวุ่นวายแม้แต่อยู่ในป่านี้นะอยู่ในวัดนี้ก็ยังมีเสียงมารบกวน เสียงรถยนต์เสียงก่อสร้างเสียงผู้คนบางทีก็มีเสียงไมโครโฟนจากหมู่บ้านข้างนอกไม่มีที่ไหนที่มันจะสงบได้จริงๆนะงั้นการพยายามตัดการรับรู้ไม่ให้ไปรับรู้อะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เกิดความสงบได้อย่างแท้จริง มันเป็นไปได้นะที่เราสามารถที่จะสงบได้แม้ว่าจะรับรู้สิ่งต่างๆแต่เรารับรู้แล้วเราวางได้ยินเสียงดังนะก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อมีความห ง, งุดหงิดเกิดขึ้นจากเสียงที่ดังรู้ตัวก็วางนะอันนี้เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของสัปชัญญะความรู้ตัวความระลึกได้ เวลาเสียงดังนะเราก็เผลอไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นทั้งทั้งที่กำลังนั่งฟังคํญญาบรรยายอยู่แต่พอมีเสียงแซ่ขึ้นมาหรือว่าเรากําลังดูหนังอยู่มีเสียงโทรศัพท์ดังนะส่วนใหญ่ก็ใจก็จะแวบไปที่ต้นเสียงคือโทรศัพท์นั้นนะนี่เราเผลอแล้วนะเราเผลอแล้วคือแทนที่จะดูดูหนังหรือว่า ฟังคำบรรยายจิตจิ๋มก็เผลอไปไปปักอยู่ที่เสียงโทรศัพท์หรือเสียงที่รบกวนแล้วก็จดจ่ออยู่กับเสียงนั้นแหละถ้าทั้งที่เสียงนั้นเราไม่ชอบแต่เพราะไม่ชอบเนี่ยทาให้เรายิ่งปักอยู่กับเสียงนั้นเพราะว่าลึกๆอยากจะให้เสียงนั้นมันสงบยิ่งอยากจะให้เสียงนั้นสงบอยากจะให้เสียงนั้นมันดับไปก็ยิ่งจดจ่อปักเตึงอยู่กับเสียงนั้นก็เลยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้จิตใจเนี่ยยิ่งหงุดหงิดมากขึ้น ก็เลยกลายเป็นว่านอกจากจะดูหนังหรือฟังคําบรรยายไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังมีความทุกข์อีกทั้งหมดนีนะ้มันเกิดขึ้นจากการที่จิตมันเผลอเผลอแล้วก็ไปยึดนะเผลอจากการฟังคําบรรยายหรือการดูหนังแล้วก็มาจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นเกิดความยึดติดขึ้นมาการเผลอนี่ก็ถือเป็นการลืมตัวนะ แล้วก็ไปยึดเสียงนั้นทั้งนั้นที่ไม่ชอบเสียงนั้นแต่ทำไมไปปักตึงอยู่กับเสียงนั้นไปยึดมันได้ยังไงเราไม่ชอบเสียงนั้นแต่ทำไมเราไปยึดมันเอาไว้นี่ก็เผลอนี่ไม่รู้ตัวนะเหมือนกับเราไม่ชอบเศษแก้วแต่ทำไมเรากามันเอาไว้เราไปกำเราไปหยิบมันมาจากถนนแล้วก็กามันเอาไว้แล้วกำอย่างเดียวไม่พอเราบีบมันด้วยก็เกิดบาดแผลขึ้นมา แล้เราก็โทษว่าเนี่ยเป็นพเพราะเศษแก้วเนี่ยทำให้เรามีแผลแต่เราลืมมองตัวเรองว่าเราไปไปบีบไปกรำร ม, มันทําไมที่จริงต้องโทษตั้งแต่ตัวเราไปไปหยิบเอาเศษแก้วนั่นมาจากพื้นแล้วไปหยิบมาทําไมนะก็ตอบได้เนี่ยว่าคือเผลอเผลอหยิบแล้วก็เผลอกรำแล้วก็เผลอบีบเหมือนกับที่เราเผลอไปฟังเสียงโทรศัพท์ที่ดังนะหรือเสียงที่มารบกวน น, นี่เป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าคนเราเนี่ยความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแล้วก็และที่เราไม่รู้จักปล่อยก็เพราะเราไม่มีสติรู้ตัวก็คือเราลืมตัวเผลอสตินี่มันตรงข้ามกับความเผลอความลืมตัวแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเสียงดังก็ดังไปเราไม่เดือดร้อนด้วยนะ เราก็ฟังคำบรรยายหรือว่าดูโทรทัศน์ดูหนังไปเราไม่เผลอนะหรือว่าเผลอแล้วเกิดงุนีขึ้นมาก็รู้ทันนะรู้ทันในเสียงที่รู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นความหงุดหงิดนั้นนะรู้แล้วก็วางแลนะจิตใจก็สงบได้อันนี้เลยว่าสงบเพราะรู้นะไม่ไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้การที่เราไปเก็บ เลี้ยเล่นอยู่ในป่าหรือว่าไปเก็บตัวอยู่ในห้องพระเพื่อที่จะได้สงบนั้นเนี่ยมันคือสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะตัดการรับรู้ซึ่งก็อยู่ได้ในป่าหรืออยู่ในห้องพระได้ประเดี๋ยวประดาจก็ต้องออกมาออกมาก็เจอความไม่สงบใหม่แต่ความไม่สงบจริงๆมันอยู่ที่ใจเราดันะั้นถ้าเราสามารถที่จะมีสติรู้แล้วก็วางไม่เผลอมีความรู้ตัวอยู่เสมอ เราก็ไม่กลัวเสียงไม่กลัวเสียงดังนะอันนี้จะพูดเฉพาะเสียงอย่างเดียวนะมันมีผัสสะอย่างอื่นด้วยเช่นรูปหรือภาพที่ได้ที่เห็นหรือว่ากลิ่นนะที่ได้รับหรือแม้กระทั่งสัมผัสทางกายเป็นต้นนะาการเจริญสติเนี่ยมันมันเป็นมันเป็น มันเป็นวิธีการเนื้ในการที่จะทำให้เราได้พบกับความสงบในจิตใจโดยที่ไม่ต้องหนีจากโลกก็อยู่ในโลกก็ยังทำงานต่อไปได้นะแต่ว่าเราสงบอันนี้ทำให้เกิดความสุขภายในขึ้นมานะแล้วเราจะเอาความเอาสตินี้ไปทำสมาธิก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถึงเวลาเราจะไปนั่งทำสมาธิปิดตาตา้งลมหายใจก็ได้ นะสติก็สามารถที่พาจิตให้มาอยู่กับลมหายใจแล้วก็เป็นสมาธิได้แต่ว่าสติจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่า น, นั้นไม่ใช่เพียงทำให้ทาให้เราสงบใจแต่ทำให้เรารู้จักตัวเองและทำให้เห็นความจริงของของกายและใจเห็นความจริงของตัวเองนะเพราะว่าสติเนี่ยมันทำให้เรามันมีมันมีหน้าที่เหมือนกับ การไม่ไม่ใช่เพียงแต่ระลึกรู้อย่างเดียวเท่านั้นนะสติยังทำหน้าที่ในการช่วยทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้คืออคติไม่ว่าคติเพราะชอบหรือ ว, ว่าฉันทาคติอคติเพ ร, ราะกลัวพยาคติอคติเพราะโกรธโทสาคติหรืออคติเพราะหลงมันทาให้เราไม่สามารถจะเห็นความจริง ความจริงของคนอื่นด้วยและความจริงของตัวเราด้วยแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นความจริงเห็นเห็นใจเห็นอาการของใจที่เกิดขึ้นเห็นความฟูความแฟบของอารมณ์นะเห็นความผัน <an> ผวนปลปลนของจิ ต, จตนะเมื่อเช้านี้ดีตอนนี้แย่เมื่อกี้นี้ฟูตอนนี้แฟบนะเมื่อกี้นี้กรัแต่ตอนนี้สบายเนะมื่อกี้นี้ยัง ล่เรืองยินดีตอนนี้ง่วงเอาเขานอนก็เห็นอาการของใจแล้วก็เห็นเห็นกิเลสนะเห็นความไม่น่ารักของตัวเองเห็นความเป็นคนขี้ฉาแล้วก็เห็นความมีน้ําใจเห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในใจมันก็ทําให้เราได้เห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าเห็นไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็จะทำให้เข้าใจนะในเรื่องของ ความจริงที่เรามักจะมองข้ามก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตารลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเพราะเราหลงเราไปคิดว่าสิ่งต่างๆมันเที่ยงเราไปคิดว่าสิ่งต่างๆมันเป็นเป็นสุขยั่งยืนไปคิดว่าแม้แต่กายและใจนี้เป็นของเราเราก็เลยยึดมั่นถือมั่นกับกายและใจแต่ว่ากายและใจนี้มันไม่ใช่เป็นของเรา เราควบคุมไม่ได้แม้แต่ใจที่เราคิดว่าเราควบคุมมันได้แต่เราลองลองบังคับให้จิตสงบสักหนาทีได้ไหมโดยไม่คิดอะไรเราสามารถ บ, บังคับให้จิตสงบสักหนึ่งนาทีได้ไหมโดยไม่คิดอะไรเราบอกได้ไหมว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรเราตั้งใจจะให้สงบภายในหนึ่งนาทีแต่ปุ๊บเดี๋ยวมัก็คิดเรื่องโน้ตเรื่องนี้แล้ว อันนี้ร่อง ก, กายเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเลือกเป็นอนัตตาร่างกายก็เหมือนกันนะเราไม่อยากให้มันเมื่อยมันก็เมื่อยเราสั่งให้มันให้มันหายปวดมันก็ไม่ยอมหายปวดนะถ้าเราสังเกตดูก็จะเห็นว่าโอ้แม้แต่กายและใจนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราในความยึดติดถือมันที่จะให้อะไรต่างๆเป็นไปตามใจเราอยากจะให้คนอื่นทําตามใจเรา เราก็จะพบว่ามันกลายเป็นความหลงเพราะว่าแม้แต่กายและใจที่อยู่กับเรามาเนี่ยเราก็ยังสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้และนับภาษาอะไรกับคนอื่นเราจะบังคับให้ตามใจเราได้อย่างไรกายและใจนี้ก็ไม่ยอมเป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่อยากให้แก่ก็แก่ไม่อยากให้ป่วยก็ป่วยไม่อยากให้ฟุ้งก็ฟุ้งอันนี้แหละถ้าเรามีสติดูนะก็จะเห็นความจริงแบบนี้จะทําให้เรา ละวางความยึดมั่นถือมันได้การจี่เรเห็นความจริงแบบ น, นี้เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดสว่างขึ้นมานะนั้นนอกจากความสงบแล้วเนี่ยนะการเจริญสติก็ทําให้เราเกิดจิตที่สว่างเราเรียกว่าปัญญานะวิปัสสนากรรมฐานคือเพื่อสิ่งนีนะ้และถ้าเรามีปัญญาเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นยึดมั่นถือมันน้อยลง และเราก็จะมีความสุขได้ง่ายเป็นความสุขไม่ใช่เพราะเพราะหลงไม่ใช่เป็นไม่ใช่เพราะเพราะไม่รู้แต่สุขเพราะรู้และเพราะรู้นั่นแหละถึงสามารถที่จะยอมรับสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ทุรนทุรายไม่เศร้าไม่โศกไม่เสียใจนะไม่ฟูไม่แฟบอันนี้แหละช่วช่วยทําให้เราเกิดความสุขภายในแม้ว่าสิ่งรอบตัวจะไม่เป็นใจแม่ฝนจะตกแดดจะออกแม้คนจะไม่ ไม่ชื่นชมสารเสริอเราเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นโรคธรรมที่ไม่เที่ยงมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสารเสริอก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันเราไม่ยึดติดถือมัน่นไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นในลาบในยศในสารเสริญเพราะฉะนั้นพอเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมหรือว่านินทาเราก็ไม่ทุกข์นะอันนี้เรียกว่าเป็นสุขได้ทำกลางโลกที่ผันผวน เขาเปลี่ยนมันก็ว่าเป็นเหมือนกับลิ้น ง, งูนะลิ้น ง, งูมันอยู่อยู่ท่ามกลางเขี้ยวงูแต่ว่าก็ปลอดภัยคนเราใช้ชีวิตเนี่ยแต่และแต่และวันแต่และวันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางอันตรายนะหมายถึงว่าอะไรอะไรก็สามารถจะไม่เป็นไปดังใจได้แต่ถ้าเรามีปัญญาไม่ยึดติดถือมัน่นนะ เราก็สามารถทํางานต่างๆได้ด้วยความรับผิดชอบแต่ว่าไม่วันไหวไปกับสิ่งต่างๆที่ไม่ที่ผันผวนแปรปรวนนะอันนี้ก็เปลี่ยนมบว่าเป็นลิ้นงูที่อยู่ในปากงูโดยที่ไม่ไม่เป็นไม่ตรรัอันตรายอะไรจากจากเขี้ยวงูอันนี้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ในเรื่องการปฏิบัติให้เราเข้าใจว่าเนี่ยมันจะช่วยมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการทําให้จิตของเราเนี่ยลุ่มลึกมากขึ้น แล้วเข้าถึงความสุขภายในก็พอสมควรกับเวลา